ธรรมะนะเราจะไปนึกว่ามัพิลึกพิลั่นธรรมะจริงๆเราต้องรู้ก่อนที่เราจะมาเรียนมาฟังนะแจะมาปฏิบัติทำทำําไปเพื่ออะไรคนรุ่นเราเนี่ยนะไม่ใช่โง่ง ง, งายไม่ใช่เห็นใครก็ปฏิบัติก็อยากปฏิบัติกับเขาบ้างหวังว่าปฏิบัติไปเรื่อยเราจะดีๆยังไงก็ไม่รู้นะอย่างนั้นมันไม่ได้เรื่องหรอกสติปัญญาไม่กล้าแข็ง คือเราจะทำอะไรจะทำเพื่ออะไรจะทำอย่างไรต้องรู้ชัดทำแล้วจะได้ผลอะไรอย่างเงี้ยนะต้องรู้ชัดถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรเพื่ออะไรจะทำอย่างไรเออก็จะลงมือปฏิบัติมันก็เข้าลกเข้าพงไปเท่านั้นเองอยู่ๆเรารู้ด้วยตัวเองไม่ได้ว่าการปฏิบัติทำนะจะทำอย่างไรรู้ไม่ได้ต้องอาศัยภูมิปัญญาตรัสรู้ของคนระดับพระพุทธเจ้า พระเจ้าแต่ก่อนท่านก็เป็นอย่างพวกเรานี้แหละก็มืดก็บอดเหมือนกันแต่ว่าท่านพัฒนาจิตใจของท่านขึ้นไปในจิตใจของท่านคุณภาพสูงในสุดท่านก็รู้แจ้งแทงตลอดในสิ่งที่เรียกว่าอริยสัจท่านรู้แจ้งอริยสัจท่านเลยรู้เลยโอ้ทางพ้นทุกข์มันอยู่ตรงนี้เองที่ท่านเที่ยวแสวงหาอยู่ท่านแสวงหาความพนทุกข์งั้นถ้าพวกเราปรารถนา ที่จะแสวงหาความพ้นทุกข์นะเรามาเรียนพระพุทธศาสนาเรียนคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเรียกว่ามาถูกทางละเพราะคําสอนของพระพุทธเจ้าพาให้เราพ้นทุกข์ได้จริงๆแต่ถ้าเราปรารถนาสิ่งอื่นนอกเหนือจากเรื่องว่าทํายังไงเราจะไม่ทุกข์ก็ต้องไปเรียนอย่างอื่นไปเรียนศาสตร์อย่างอื่นเช่นจะเรียนว่าทําังไงร่างกายจะแข็งแรงทําไงจะรักษาโรคไข้ไข้เจ็บได้อะไรงี้ยไปเรียนหมอเรียนอะไรต่ออะไรพวกนั้นสาธารณาสุขอะไรไป ทำไงจะใช้กฎหมายเก่งก็ไปเรียนกฎหมายทําไงจะปกครองได้ปกครองคนได้ดีไปเรียนรัฐศาสตร์อะไรเงี้ยแต่ถ้าอยากพ้นทุกนะปรารถนาที่จะ ย, ยกระดับจิตใจเราไปสู่ความพ้นทุกข์เราก็ไปเรียนพระพุทธศาสนาแต่เราต้องรู้ก่อนว่าพระพุทธศาสนานี่ไม่ใช่คําตอบทุกคําตอบในชีวิตนะพระพุทธศาสนาเป็นคําตอบสําหรับ เพิ่งปรารถนาความพ้นทุกข์เท่านั้นเองแต่ว่าความทุกข์นั้นเป็นเรื่องใหญ่ของชีวิตเราตลอดเวลาในชีวิตเราที่ผ่านมานนะั้เราดิ้นรนที่จะหาความพ้นทุกข์อยู่ตลอดแต่ว่าวิธีแก้ทุกข์ของเรานะั้นมันตื้นเวลาเราแก้ทุกขนะ์เราหิวเราก็ไปกินข้าวเราง่วงเราก็ไปนอนนะเราอยากอะไรเราก็ไปสน อ, องความอยากไปเรื่อยๆก็ แ, แก้ทุกข์แบบโลกๆไปตามใจความต้องการ ของตัวเองไปเรื่อยๆนี่เป็นวิธีแก้ทุกอย่างหนึ่งแก้ได้ไหมก็แก้ได้นะแต่มันแก้ได้ชั่วครั้งชั่วคราวอย่างเราอยากดูหนังเราไปดูหนังนะไปซื้อวิดีโอมาดูอะไรเงี้ยก็สนองความอยากไปหาอยากลนะ้สบายใจไปหน่อยเดี๋ยวก็อยากอย่างอื่นอีกอยากจะไปกินน้อนกินนี่นะอยากจะกินมามา่าอะไรเงี้ยสมมตดึกๆแล้วไม่มีอะไรจะกินจะกินมามา่มาอีกได้ไปกินนะ ได้ไปกินที่เขรู้สึกมีความสุขเมื่อยขึ้นมานะอยากนอนอยากนอนไปนอนก็มีความสุขแค่สนองความต้องการของใจไปเรื่อยๆใจมีความอยากอะไรก็สนองไปเรื่อยๆพอตอบสนองได้มันก็มีความสุขแต่ความสุขนั้นสั้นมากเลยเพราะความอยากทางใจเนี่ยเกิดขึ้นตลอดเวลาจบเรื่องนี้ก็อยากเรื่องนอนจบเรื่องนี้ก็อยากเรื่องนอนไปเรื่อยๆงั้นวิธีที่จะ แกทุกข์นะด้วยการตอบสนองความต้องการทางใจเนะี่ยมันทําได้ไม่สําเร็จมันก็มีนักปราชญาอีกพวกหนึ่งนะเห็นว่าถ้าเราตอบสนองความอยากไปเรื่อยๆเนะี่ยมันไม่สามารถจะพ้นทุกข์ได้เวลามีความอยากเกิดขึ้นในใจมันจะมีความทุกข์ถ้าสนองความอยากได้มันก็ไม่ทูกแต่ว่าสนองเท่าไหร่ก็ไม่เต็มไม่ยิ่มเพราะความอยากนะั้นจะยกระดับตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆเขาก็พยายามมาจัดการกับความอยาก พวกแรกนะตามใจความอยากอยากอะไรก็สนองไปเรื่อยพวกที่สองกลับข้างเลยมันอยากอะไรก็ไม่ทำอยากกินก็ไม่กินอยากนอนไม่นอนนะนอยากสุกอยากสบายก็ไปนั่งบ น, น้นามบนตะปูทำตัวเองให้ลำบากมันหนาวมากนะก็ไม่ใส่เสื้อผ้านะไปตากลมมันร้อนมากก็ไปนั่งตากแดดอนะไรเงี้ยแกล้งมันไปเรื่อยนะทรมานตัวเองไปเรื่อยอันนี้ทรมานเพื่ออะไรไม่ใช่แกล้งใจ มันมีความอยากเกิดขึ้นแล้วทรมานมันไม่ไม่ตอบสนองมันนี่ก็หวังอะไรหวังว่าใจจะพ้นจากอำนาจของความอยากแล้วจะได้พ้นทุกข์พวกแรกไม่คิดมากพวกที่สองนี่พวกคิดมากพวกแรกแล้วมันต้องการอะไรก็ตอบสนองไปได้วยถ้าตอบสนองได้ก็สบายใจไปตอบสนองไม่ได้ก็กลุ้มใจก็าหาทางตอบสนองไปอีกพวกหลังเนี่ยไม่ตอบสนองคิดจะ ห, หากหันกับ ม, มันก็ตึงเกินไปพวกแรกย่อหย่อนเกินไป เนี่ยคนที่สแสวงหาความพ้นทุกนะข์นะเขามีมาตลอดแหละอย่างพวกเราตั้งแต่เด็กใช่ไหมเราก็สแสวงหาความพ้นทุกข์เห็นเขาขายไอติมเราอยากกินไอติมเราก็ร้องงอแงร้องงอแงเพื่อกดดันพ่อแม่ให้ซื้อให้กินเนี่ยสนสนองความอยากได้ได้กินไอติมมีความสุขไหมได้ไปเที่ยวได้ไปเล่นนะได้ไปดูตัวโน้นตัวนี้ไปสวนสัตว์อะไรเงั้นเด็กโบราณไปเที่ยวสวนสัตว์ เด็เด็กนี้มันก็เปิดคอมพิวเตอร์ดูนะเล่นเพลินเพลินไปวันอยากดูอะไรเมื่อดูอยู่ในจออยากคุยกับใครเมื่อพิมพ์ไปพูดภาษาคนไม่เป็นแล้วพิมพ์ได้อย่างเดียวนะเด็ก น, นี้คนมนุษยสัมพันธ์เร็วลงมากเลยนะพูดจากกับคนอื่นไม่ค่อยเป็นแะอีกหน่อยจะจีบใครสักคนนะต้องถือตัวเนี้ไปคนละตัวนะนั่งแล้วก็กดๆๆนะไม่มองหน้ากันด้วยดูแต่ในจอเนี้เด็กนะ น, นี้มันมีรูปด้วย พูดไม่เป็นละนี่มันดิ้นดิ้นดินะเที่ยวหาความสุขได้ตั้งแต่เล็กๆของเรานะก็ดิ้นหาความสุขอย่างนี้แหละเห็นคนอื่นเขามีโทรศัพท์มือถืออย่างใหม่นะเขามี iPad, iPhone, i อะไรต่ออะไรเยอะแยะนะเมื่อก่อนมีอะไร iPod ใช่ไหม iPod, iPad, i p h อ n e นอยากมีความบ้างแพงๆอยากมีนะมีแล้วมันโก้ดีนะใช้ไม่ค่อยเป็นก็ไม่เป็นไรก้ดี เห็นเขาอยากมีก็อยากได้บ้างอยากได้บ้างก็ดิ้นรนหาเงินหาทองบางคนก็ไปซื้อเงินผ่อนอะไรเนี้ยนะเนี่ยเราอยากได้มีความอยากขึ้นมานั่งหาทางตอบสนองไปเป็นหนี้เป็นศินเป็นอะไรนะก็เพื่อจะสนองความอยากไปเลยเพราะพวกเราก็อยากมีความอยากนะเราก็ดิ้นรนอย่างเงี้ยมาตั้งแต่เด็กๆเลยโตขึ้นก็อยากเรียนหนังสือนะอยากเข้าคณะนู้นคณะนี้อยากเรียนแพทย์อยากเรียนวิศวะอะไรเนี้ย ไม่ได้ดูว่าเราเรียนได้แค่ไหนจะต้องดูก็ไม่ได้ดูสอบไม่ได้อะไรไม่ได้เสียใจเศร้าใจพยายามมากเลยนะไปติวเตออะไรเยอะแยะเเพื่อสนองความต้องการทั้งหมดเลยเพวกเราก็ดิ้นรนตอบสนองความต้องการมาตลอดเห็นคนอื่นเขามีผัวมีเมียมีสามีผแฟนเขาอยากมีกับเขาบ้างดิ้นรนห า, หาหาดีๆไม่ได้ก็หาร้ายๆมา อยู่กันไม่ได้เดี๋ยวก็เลิกกันไปนะเห็นคนอื่นเขามีลูกนะก็อยากมีลูกบ้างอยากมีลูกหน้าตาดีๆ ด, ด้วยนะลูกไร้ไรด้วยไม่ได้ดูตัวเองนะมีแต่ความอยากเนะี่ยเรามีแต่ความอยากเต็มไปหมดเลยนะพอไม่สบายขึ้นมาก็อยากหายอยากแข็งแรงนิรนนันดะร์ตีนกาขึ้นก็ไม่ชอบเลยอยากเป็นหนุ่มเป็นสาวตลอดกาลนะผมหงอกก็ไม่ชอบนะอยากเป็นหนุ่มเป็นสาวตลอดผมร่วงก็ไม่ชอบ เนี่เราตัวเรานะเราก็ดิ้นรนหาความสุขมาตลอดชีวิตเลยดิ้นรนหนีความทุกข์ไปได้ถ้าได้ความสุขมาก็รู้สึกว่ามันพลทุกข์ไปถ้าความสุขหายไปก็รู้สึกเป็นทุกข์ขึ้นมาเนี่พระพุทธเจ้ากับสอนสิ่งที่ประหลาดมากเลยท่านไม่ได้ให้ถึงดิ้นรนหนีความสุขนะท่านให้มาจัดการทำยังไงใจเราจะไม่ทุกข์ วิธีทําใจให้ไม่ทุกข์ของพระพุทธเจ้าไม่เหมือนคนทั่วๆไปที่ตอบสนองความอยากไม่ได้เหมือนนักบวชบางจําพวกที่ทรมานกายทรมานใจแกล้งอยากอันนี้ไม่ทําอยากอันนี้ก็ไม่ทำํำท่านไม่ได้เอาอย่างนั้นวิธีของท่านเป็นทางสายกลางนะไม่ได้ตามใจกิเลสแล้วก็ไม่ได้กดข่มบังคับจนมันลําบากในกายในใจนี้วิธีของท่านที่จะพ้นจากความทุกข์นะท่านมาดูด้วยสติด้วยปัญญา พ้ ท, ทุกข์ไปด้วยสติด้วยปัญญางั้นศาสนาพุทธเราเนี่ยเป็นศาสนาของคนที่มีสติมีปัญญานะคนไม่มีสติไม่มีปัญญาเนี่ยไม่ได้ริ้มรถธรรมะอันวิเศษวิโสของพระพุทธเจ้าหรอกนะงั้นเราต้องค่อยๆมาฝึกตัวเองทํำยังไงนะวิธีปฏิบัตินะปฏิบัติเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อความพ้นทุกขนะ์วิธีที่จะไปสู่ความพ้นทุกข์เนี่ยไม่ใช่ตามใจกิเลสไม่ใช่ทรมานตัวเองฝืนกิเลส ในวิธีปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์นั้นก็คือการรู้ทุกนี่เป็นเรื่องประหลาดนะใครๆก็กลัวทุกข์เกลียดทุกข์ไม่อยากเห็นทุกข์วิธีการของพระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้ทุกข์คำว่าทุกข์ทุเนี่ยนะมันทุกข์อยู่ที่ไหนบ้างพวกเราเนื่อออกไหมมันทุกข์อยู่ที่ไหนบ้างมันทุกข์อยู่ที่กายใช่ไหมมันทุกข์อยู่ที่ใจความทุกข์ไม่ตั้งอยู่ที่กายก็ตั้งอยู่ที่ใจไม่มีที่อื่นหรอก นั้นถ้าเราจะรู้ทุกนะั้นเราก็ต้องคอยรู้ลงที่กายรู้ลงที่ใจตัวเองบ่อยๆถ้าเราไม่รู้กายไม่รู้ใจก็เรียกว่าไม่ได้รู้ทุกไม่ได้รู้ทุกก็ไม่มีทางที่จะเข้าใจอริยสัจพวกที่มาเข้าคอร์สไม่เคยฟังซีดีหลวงพ่อรู้จักคําว่าอาริยสัจ4ี่ไหมทุกสมุทัยนิโรธมรรคไม่เคยได้ยินเลยหรอใครไม่เคยได้ยินสารภาพมาเซิหลวงพ่อจะได้เทศให้ง่ายมีไหมรู้จักไหมทุกสมุทัยนิโรธมรรค มีคนหนึ่งไม่เคยได้ยินเลยนะไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้จะได้ยินลนะคําว่าทุกทุกทุกเนี่ยนะมันเป็นศัพท์เฉพาะคําว่าทุกเนี่ยก็คือสิ่งซึ่งเป็นรูปธรรมนามธรรมที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเรานะคําว่าทุกก็คือสิ่งที่เรียกว่าขันหานี่พูดคําว่าขันหายิ่งยากหนักเข้าไปอีกเพราะคําว่าทุกสมูทายนี่ร้มากยังไม่รู้จักนะไม่รู้จักขันหานี่ยิ่งไปกันใหญ่ สิ่งที่ประกอบกันเป็นตัวเราเนี่ยก็ประกอบด้วยร่างกายกับจิตใจร่างกายเนี่ยนะมันก็มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาจิตใจของเราก็มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาวิธีการของพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้หนีทุกข์แล้วก็ไม่ได้ให้ตอบสนองกิเลสนะเพื่อจะได้สบายใจวิธีการของพระพุทธเจ้าให้เรารู้ทุกข์เมื่อความทุกข์ตั้งอยู่ในกายคอยรู้สึกอยู่ในร่างกายความทุกข์ตั้งอยู่ในจิตใจให้คอยรู้สึกอยู่ในจิตใจ ในร่างกายของเราเนี่ยให้เราคอยรู้สึกไว้ในจิตใจก็คอยรู้สึกไว้ตัวนี้เป็นเรื่องแปลกพวกเรามีร่างกายมาตั้งแต่เกิดนะมีจิตใจมาตั้งแต่เกิดแต่พวกเราไม่ค่อยรู้สึกถึงกายของตัวเองไม่ค่อยรู้สึกถึงใจของตัวเองเราจะลืมกายลืมใจของตัวเองเนี่เกือบตลอดเวลาเลยนะเรามีร่างกาย combined, เราก็ลืมมันเรามีจิตใจเราก็ลืมมันเราสนใจแต่สิ่งภายนอก สนใจแต่สิ่งอื่นสนใจคนอื่นมากกว่าสนใจในร่างกายและจิตใจของตัวเองอย่างตั้งแต่เล็กๆนะัเราก็ถูกสอนให้ดูออกข้างนอกนี่พ่อนี่แม่นี่ญาติพี่น้องอะไรต่อไรนะนี่มีอะไรจะให้ดูนะคนโบราณนะเอาปลาตะเพียนมาแขวนไว้ให้เด็กดูด้วยใครเคยเห็นปลาตะเพียนทําด้วยใบลานมีไหมใครเคยดูบ้างใครเคยนอนดูตอนเด็กๆมั้ยมีไหม ต้องงักเลยนะไม่งักพอเนี่ยไม่เคยได้ดูหรอกหลวงพ่อเนี่ยนอนดูปลาตะเพียนนะดูมันมันลมมันพัดนะั่ำก็หมุนไปหมุนมาแล้วก็เป็นโมบายอย่างหนึง่งอะไรทำด้วยใยลานเราก็ดูแต่ปลานะเรามีร่างกายเราก็ลืมตัวเองเรามีจิตใจเราก็ลืมตัวเองเก็ดูปลามันว่ายอยู่ในอากาศหมุนไปหมุนมาเนี่เด็กๆนะถูกสอนให้ออกนอกนะให้จิตออกนอกให้ลืมกายให้ลืมใจของตัวเอง เวลาคนมาเยี่ยมเวลามีเด็กเกิดใหม่เวลาคนไปเยี่ยมนะชอบไปจ้าเอะกับเด็กชอบเอามือไปโบกๆข้างหน้าเด็กนะจ้าเอะจ้าเอะนัจะให้มองถ้าเด็กมันมองได้นะก็จะดีใจความจริงไม่ได้รักเด็กนะทำไปเพื่อสนองอัตตาของตัวเองให้เด็กช่วยยืนยันว่าชั้นยังอยู่นะความจริงเป็นอย่างนั้นนะทำจ้าเอะจ้าเอะเด็กถูกจ้าเอะเด็กก็มองนะมองออกไปข้างนอกนี่เด็กถูกสอนตั้งแต่เกิดใหม่ๆนะให้ออกนอก ให้ลืมกายให้ลืมใจของตัวเองตลอดเวลาเลยเพราะะัโตขึ้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมมีร่างกายก็ลืมมันทั้งวันมีจิตใจก็ลืมมันทั้งวันเพราะมันเคยชินที่จะลืมวั น, ว, นวันหนึ่งเราจะรู้สึกตัวนี้น้อยที่สุดเลยนะเมื่อสิบกว่าปีก่อนหลวงพ่อบวชไม่นานสอนใหม่ๆเนี่หลวงพ่อจะพูดเรื่อยๆเตยว่าในโลกไม่มีคนรู้สึกตัวมีคนรู้สึกตัวนี้น้อยเต็มทีเลยนะ มันมีแต่คนที่มีร่างกายก็ลืมร่างกายมีจิตใจก็ลืมจิตใจของตัวเองมันลืมตัวเองทั้งวันลืมตัวเองทั้งคืนเลยนะการที่เราลืมกายลืมใจของเราเนี่ยเรียกว่าเราไม่สามารถจะมาเรียนรู้ทุกว่าทุกอยู่ที่กายทุกอยู่ที่ใจถ้าเมื่อไหร่ลืมกายเมื่อไหร่ลืมใจก็ไม่สามารถเห็นความทุกข์ในกายในใจนี้ได้เมื่อไม่เห็นความทุกข์นะพูดยอ่ยอๆเลยถ้าไม่เห็นทุกข์ก็จะไม่เห็นธรรมะนะการรู้ทุกข์นี่แหละคือการปฏิบัติอริยสัจนะรู้ทุก ท่านบอกทุกสมุทยัยนีโรสมาร์ทุกก็คือร่างกายจิตใจของเรานี้หน้าที่ต่อทุกคือการรู้สมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกคือตัวตัณหาตัวความอยากหน้าที่ต่อตัณหาคือละเสียนะต้องละตัณหาแต่ว่าไม่ได้ละด้วยการตามสนองกิเลสไปไม่ได้ละด้วยการกดข่มนะแต่ว่าเราละด้วยวิธีที่เราค่อยรู้ทุกไปเรื่อยๆถ้ารู้ทุกแจ่มแช้งวันใดนะเราจะละสมุทยัยคือละตัณหาในวันนั้นนะ การที่เรารู้ทุกข์รักสมุทัยนั่นแหละเรียกว่าเราจเจริญมรรคอยู่นะเนี่ยเราจะต้องมาคอยรู้สึกอยู่ในใกายรู้สึกอยู่ในใจเพราะงั้นงานแรกที่พวกเราจะต้องหัดฝึกตัวเองถ้าเราต้องการความพ้นทุกข์เด็ดขาดทางใจแล้วก็ตามหลักของพระพุทธเจ้าแล้ว น, นะเราต้องมาเรียนรู้ทุกข์คือเรียนรู้กายรู้ใจของตัวเองงานแรกที่เราจะทําได้ก็คือต้องคอยรู้สึกกายต้องคอยรู้สึกใจของตัวเองไว้อย่าลืมกายอย่าลืมใจถ้าเมื่อไหร่ลืมกายเมื่อไหร่ลืมใจนีท่านเรียกว่าขาดสติ เมื่อไรรู้สึกกายเมื่อไหร่รู้สึกใจท่งนเ้ีว่ามีสติพวกเราต้องมามีสติบ่อยๆรู้สึกถึงร่างกายรู้สึกถึงจิตใจตัวเองบ่อยๆอย่าใจลอยศัตรูของการรู้สึกตัวรู้สึกกายรู้สึกใจก็คือใจลอยนี่เองแล้วเราวันหนึ่งวันหนึ่งเราใจลอยมหาศาล ร, รู้จักใจลอยไหมใจลอยคือใจมันไปคิดใช่ไหมบางทีก็ไปคิดสเปสะปะอันนี้เรียกว่าใจลอยสุดๆเลยใจลอยโคตรๆเลยสมัยนี้นะ อีกอันหนึ่งใจลอยไปคิดไปตรึกไปตรองอยู่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างเวลาเราทํางานเราไปจดจ่ออยู่กับงานนะก็เรียกว่าใจลอยเหมือนกันแต่ใจลอยไปอยู่ที่ที่เดียวไปอยู่กับงานอันนี้คนทั่วไปไม่ค่อยรู้สึกว่าใจลอยหรอกแต่นักปฏิบัติจะรู้ว่าใจมันลอยไปอยู่ที่งานแนละ้วนั่นศัตรูของเราจริงๆนะเบื้องต้นเลยของนักปฏิบัติเลยก็คือความใจลอยนี่แหละมันอาจจะใจลอยสเปสสปะไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ลอยเรื่องผัดเรื่องไม่รู้ตัวเลย หรือมันอาจจะใจลอยไปอยู่ในที่ใดที่หนึ่งก็ได้ไปอยู่กับงานที่เราทำนะหรือบางคนไปนั่งหายใจเข้าหายใจออกใจลอยไปอยู่ที่ลมหายใจบางคนเดินจงกลมยกเท้าย่างเท้าใจลอยไปอยู่ที่เท้าเนนี้ใจมันลอยไปได้นะหน้าที่ของเราก็คือจะต้องให้รู้เนื้อรู้ตัวไม่ให้ใจลอยวิธีที่จะไม่ให้ใจลอยไม่ใช่บังคับมันไม่มีใครบังคับจิตได้จิตเนี่ยเป็นเด็กดื้อไม่มีใครบังคับมันได้เราสั่งมันไม่ได้ ถ้าเราสั่งได้เราก็สั่งว่าจงมีความสุขตลอดการเราไม่มีความสุขใช่ไหมจงอย่าชั่วนะอย่ากโกรธนะใครเคยตั้งใจว่าจะไม่โกรธบ้างแล้วเสร็จแล้วก็โกรธใครเคยรู้สึกอย่างนี้บ้างเนะี่เป็นเยอดแย่ไปนะนึกถึงคนนี้แล้วก็โกรธเขานะสมมติว่ามันเรากําลังอกหักให้คนนี้ทําให้เราอกหักนึกถึงนะทั้งรักทั้งแค้นอะไรก็ตั้งใจอย่าไปรักเขาเลยอย่าไปแค้นเขาเลยทําไม่ได้หรอก พระจิตนี่เป็นอนัตตาสั่งไม่ได้นะงั้นเราจะมาสั่งห้ามว่าอย่าใจลอยก็ห้ามไม่ได้นะหน้าที่ของเราก็คือแค่ว่าใจลอยแล้วรู้เร็วๆอย่าให้ใจลอยนานทําได้แค่นี้แหละเอาแค่ว่าอย่าให้ใจลอยนานใจไหลไปแล้วรู้ใจไหลไปแล้วรู้ใจหนีไปคิดแล้วรู้ใจหนีไปจ่ออยู่ในอารมณ์เดียวแล้วรู้ใจคิดสเปะสะปะไปหลายๆอารมณ์ก็รู้เนี่ยคอยรู้เท่าทันใจของตัวเองบ่อยๆ การรู้เท่าทันใจของตัวเองเรียกว่าจิตตะศิขานะจิตตะศิขาบทเรียนสําคัญเลยอันนึงของพระพุทธเจ้าบทเรียนที่พระพุทธเจ้าสอนเรามีสามบทเท่านั้นเองนะบทที่1ชื่อศีลสิกขาตั้งใจรักษาศีลไว้ก่อนบทเรียนที่2จิตตะศิขามาเรียนรู้จิตใจลอยไปแล้วค่อยรู้ใจลอยไปแล้วค่อยรูนะ้วิธีที่เราจะฝึกได้ง่ายขึ้นนะมีเครื่องช่วยมีตัวช่วยที่จะทําให้เราฝึก ว่าใจลอยแล้วเรารู้ทันไวๆเนี่ยก็คือการทำกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึง่งนะเราต้องมาฝึกหัดกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึง่งคนไหนชอบพุทโธก็หัดพุทโธไปคนไหนชอบรู้ลมหายใจก็หัดรู้ลมหายใจนะคนไหนชอบดูท้องพองยุบ ก, ก็ดูท้องพองยุบไปคนไหนชอบเดินจงกรมก็เดินจงกรมไปนะคนไหนชอบสวดมนต์ก็สวดมนต์ไปอะไรก็ได้นะทำกรรมฐานขึ้นมาอย่างหนึ่งก่อน พอเราพุโทโธไปหายใจไปเดินจงกรมสวดมนต์ขยับไม้ขยับมือทําจังหวะนะอะไรก็ได้แต่ว่าไม่ได้ทำไปเพื่อให้จิตสงบตัวนี้ต้องเรียนให้ดีต้องทำไปเพื่อรู้ทันจิตไม่ใช่ทำไปเพื่อให้จิตสงบทำไปด้วยเพื่อรู้ทันจิตหมายถึงยังไงเช่นเราหัดพุดโทโธพุโทโธพุโทโธอยู่ในใจเรานะและจิตหนีไปคิดอย่างอื่น นะไม่แทนที่จะมันจะท่องพุทธโธมันไปคิดเรื่องอื่นคิดถึงชื่อแฟนคิดถึงเรื่องโน้นเรื่องนี้ไปให้เรารู้ทันเร็วๆนะว่ามันลืมพุทธโธไปแล้วใจมันลอยไปแล้วไปคิดเรื่องอื่นลนะหรือเรารู้ลมหายใจหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกเรื่องมีสติอยู่กับลมหายใจแล้วก็คอยรู้ทันจิตไม่ใช่หายใจเพื่อให้จิตสงบ หายใจเพื่อจะรู้ทันจิตนะหายใจไปหายใจไปจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นแล้วก็รู้ทันหายใจไปหายใจไปจิตลอยออกไปอยู่ที่ลมหายใจแล้วจิตเคลื่อนไปนิ่งอยู่กับลมหายใจและรู้ทันคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปนะจิตจะเคลื่อนไปสองแบบเท่านั้นแหละเคลื่อนไปคิดนะกับเคลื่อนไปจ่ออยู่ในอารมณ์มันเดียวเวลาเราปฏิบัติเนี่ยไม่หนีไปคิดก็หนีไปเพ่งไม่เผลอก็เพ่งมีอยู่เท่านี้เอง ให้คอยรู้ทนันจิตเผลอไปสู่อารมณ์ต่างๆให้รู้ทนันจิตเข้าไปเพ่งอยู่ในอารมณ์มันเดียวก็ให้รู้ทนันอย่างเรารู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้าอยู่เนี่ยจิตนี้ไปคิดเราคอยรู้ทนันจิตไปเพ่งใส่ลมหายใจเราคอยรู้ทนันคอยรู้ทนันจิตใจของตัวเองไว้นี่บางคนดูจิตใจไม่ออกว่าจิตมันเคลื่อนไปเคลื่อนมานะดูยังไม่ออกเลยว่าจิตมันเคลื่อนที่ได้เรามาซ้อมเบสิกเลยก็ได้นะ นั่งสบายๆขึ้นมานะแล้วเราส่งใจของเราไปที่เส้นผมเราส่งใจไปที่ผมนะเอาทุกคนลองส่งใจไปที่ผมสิส่งนะเอาเปลี่ยนใหม่ส่งใจมาที่พระพุทธ ร, รูปองค์ใหญ่นี่มาดูพระองค์ใหญ่นี่นะเอากลับไปดูจมูกตัวเองสิเอาใจกลับไปไไปดูจมูกตัวเอง ลองเปลี่ยนไปดูหัวแม่เท้าข้างขวาสิถ้าใครหัวแม่เท้าข้างขวาขาดนะให้ดูหัวแม่เท้าข้างซ้ายส่งจิตไปไว้ที่หัวแม่เท้าดูสิไปดูหัวแม่เท้าตัวเองพมื่อเรารู้สึกไม่พอแล้วนะพอเรารู้สึกไหมว่าจิตมัน เ, นเคลื่อนที่ได้นะมันเคลื่อนไปที่ผมก็ได้นะเคลื่อนไปที่พระพุทธรูปก็ได้เคลื่อนมาที่จมูกเคลื่อนไปที่มือที่เท้าก็ได้นะหัดใหม่ๆนะไปหัดซ้อม ไปหัดซ้อมแต่เดิมเนี้ยจิตมันเคลื่อนตลอดเวลาแล้วเราไม่เคยเห็นเลยว่ามันไปเคลื่อนไปที่ไหนคราวนี้เราเริ่มต้นเราจงใจเคลื่อนก่อนนะเคลื่อนไปดูผมดูขนคิ้วดูหูดูจมูกนะดูหัวแม่มือหัวแม่เท้าดูแขนดูข้อศอกอะไรเนี้ยไล่ขึ้นไล่ลงอยู่ในร่างกายนะฝึกจนชำนาญต่อไปพอจิตมันเคลื่อนไปที่ไหนเนี่ยเราจะเห็นเราจะรู้สึกได้มันไม่ได้เห็นด้วยตามันรู้สึกด้วยใจเป็นความรู้สึก ถ้าจิตเราเคลื่อนไปเคลื่อนมาถ้าเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาแล้วเนี่ยเราก็มาทํากรรมฐานอย่างที่หลวงพ่อบอกหัดพุทโธไปหัดหายใจไปนะคราวนี้เราไม่ได้จงใจให้จิตเคลื่อนแล้วจิตมันจะเคลื่อนของมันเองเพราะโดยธรรมชาติมันเคลื่อนตลอดเวลาอยู่แล้วล่ะแต่เราไม่เคยเห็นแล้าเราก็มาหัดดูที่มันเคลื่อนพอเราดูที่มันเคลื่อนไปแล้วเรามาทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะพุทโธพุทโธหรือหายใจไปพระจิตเคลื่อนไปคิดเราก็รู้ทัน จิตเคลื่อนไปเพ่งอยู่ที่ท้องเราก็รู้ทันจิตเคลื่อนไปเพ่งอยู่ที่เท้าเราก็รู้ทันนะคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเรื่อยพอที่รู้ทันจิตที่เคลื่อนเนี่ยไม่ได้ห้ามเคลื่อนนะให้รู้ว่ามันเคลื่อนไปพอรู้ว่ามันเคลื่อนแล้วเนี่ยจิตจะตั้งมั่นขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อไรมีสติรู้ว่าจิตเคลื่อนไปเมื่อนั้นสมาธิที่แท้จริงจะเกิดขึ้นอันนี้เป็นกฎเลยนะเมื่อไหร่รู้นะเมื่อไหร่รู้ว่าจิตมันเคลื่อนไป เมื่อนั้นแหละสมาธิที่แท้จริงคือจิตใจที่ไม่เคลื่อนจิตใจที่ตั้งมั่นโดยที่ไม่ได้เจตนาจะให้ตั้งมั่นจะเกิดขึ้นโดยอันตโนมัติเพราะงั้นเมื่อไหรที่เรารู้ว่าจิตไหลไปนะอย่างครูบาอาจารย์บางองค์อย่างหลวงพ่อเทียนสอนนะว่าถ้ารู้ว่าจิตคิดหลวงพ่อเทียนสอนนะว่าถ้ารู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นทางของการปฏิบัติรู้ว่าจิตคิดก็คือรู้ว่าจิตมันเคลื่อนไปคิดนั่นเองนะถ้ารู้าทันจิตที่เคลื่อนไปทันทีที่รู้ทันจิตที่เคลื่อนไปจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมา รู้เนื้อรู้ตัวอยู่พวกเราลองฟังเสียงนะดูซิว่าจิตจะเคลื่อนไปที่ระฆังไหมเห็นจิตที่มันฉกไปไหมเนี่ยจิตมันจะวิ่งออกได้นะหช่องวิ่งไปทางตาอย่างเมื่อกี้มาดูพระพุทธรูปก็วิ่งมาใช่ไหมวิ่งไปทางหูคือไปฟังเสียงมันมีเสียงมาจิตก็วิ่งไปที่ต้นต่อของเสียง ไปที่จมูกก็ได้นะมีกลิ่นมาจิตก็จะพุ่งไปหาต้นต่อของกลิ่นเวลาลิ้นไปกระทบรสนะก็พุ่งไปหารสนะเวลามีอะไรมากระทบร่างกายก็พุ่งไปที่สิ่งที่มากระทบร่างกายอย่างเวลายุงกัดเราเนียยุงกัดเราเนียจุดแรกที่เราสนใจคือยุงหรือว่าแขนเราที่ถูกยุงกัดสนใจ ย, ยุงใช่ไหมแม้มันจะออกนอกมันจะสนใจออกนอกตลอดเลยไม่สนใจตัวเองมันจะสนใจยุงสิ่ยงยังก็น่าสนใจนักนะ คนเห็นยุงปุ๊บยุงกัดปุ๊บนะมืออัตโนมัติเปุ๊บตัดสินประหารชีวิตแล้วข้อหาอะไรข้อหาอยุางรักทรัพย์ว่ารักทรัพย์นิดเดียวนะประหารชีวิตเลยโหดไปนิดหนึ่งจิตของเราเนี่ยจะกระโดดได้นะจะวิ่งไปทางตาก็ได้วิ่งไปทางหูก็ได้วิ่งไปทางจมูกทางลิ้นทางกายก็ได้วิ่งไปทางใจก็ได้วิ่งไปคิดใจของเราวิ่งไปคิดเรื่อยๆขณะที่ฟังหลวงพ่อพูดอยู่เนี่ยบางทีก็มองหน้าหลวงพ่อจิตวิ่งมาทางตา บางทีก็ตั้งใจฟังจิตวิ่งไปทางหูบางทีก็สลับไปคิดแคนะ่จิตวิ่งไปทางใจให้คอยรู้ทันจิตที่วิ่งไปวิ่งมาทางถวานทั้งหกนี้แหละถ้าจิตเคลื่อนไปนะคอยรู้ทันแต่เคลื่อนไปหกวานก็เคลื่อนไปได้สองอย่างนะก็คือเคลื่อนไปคิดเกือเคลื่อนไปเพ่งนะเพ่งในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสก็ได้นะเพ่งที่จิตที่ใจเพ่งอะไรก็ได้หรือไม่ก็หนีไปคิดเอา ถ้าดู6กช่องทางนี้ลําบากนะก็คอยรู้ทันเวลาจิตมันเคลื่อนไปคิดก็รู้ทันไปเพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวก็รู้ทันฝึกอย่างนี้ก็ได้นะไปฝึกให้ชํานาญนะวันนี้ให้กันบ้านพวกที่มาเข้าคอร์สไปฝึกรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาจิตเคลื่อนไปคิดให้รู้จิตเคลื่อนไปดูให้รู้จิตเคลื่อนไปฟังให้รู้นะจิตเคลื่อนไปที่ไหนคอยรู้บางทีอยู่ที่วัดก็เคลื่อนกลับบ้าน มีไหมจิตอยู่ที่วัดตัวอยู่ที่วัดแต่จิตหนีกลับบ้านไปแล้วตอนอยู่ที่บ้านจิตก็หนีมาวัดนะมันไม่อยู่ที่เดียวกันสักทีนะให้มันมาอยู่ด้วยกันสักทีเวลาเดินจงกรมบางคนนะจิตเดินไปก่อนตัวนะจิตเดินไปก่อนตัวตัวขายังไม่ทันก้าวหรือจิตก้าวไปสามก้าวแล้วใจร้อนปุ๊บปุบบบบ๊มันล้มหน้าไปนะแล้วนะจิตมันเคลื่อนที่ไปได้เพราะเราคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมานี่กันบ้านบทที่หนึ่งนะบทเรียนแรกเลย การที่เรารู้ทานจิตที่เคลื่อนไปนั้นเราจะได้สมาธิขึ้นมาถ้าไม่มีสมาธิปัญญาจะไม่เกิดแต่สมาธิที่จะทำให้เกิดปัญญานะต้องเป็นสมาธิที่จิตตั้งมั่นไม่ใช่สมาธิที่จิตสงบนิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวนะสมาธิมีสองชนิดสมาธิที่หนึ่งจิตสงบนิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวมีชื่อเฉพาะเรียกว่าอารามนูพนิชานใช้ทาสมถะกรรมฐานหรือใช้ทางานทางโลก อยเวลาเราทํางานต้องจดจ่ออยู่กับงานเนี่ยจิตจ่ออยู่ในอารมณ์มันเดียวสมาธิอย่างที่สองจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้อารมณ์ก็จะเห็นอารมณ์ทั้งหลายเกิดดับหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปแสดงใจรักษได้จิตที่ตั้งมั่นเนี่ยเป็นสมาธิความตั้งมั่นเนี่ยเป็นสมาธิชนิดที่จะทําให้จิตเดินมีปัสนาได้ถ้าเราไปดูพจนานุกรมนะเราจะเห็นว่าเขาแปลคําว่าสมาธิว่าความตั้งมั่น เราไปแปลมักง่ายว่าความสงบคนละอนนะพวกที่ติดสมาธิมานะั้นรีบปรับตัวซะนะปรับตัวปรับใจว่าสมาธิมีสองชนิดนะสมาธิที่เป็นของชาวพุทธแท้ๆเลยคือความตั้งมั่นของจิตไม่ใช่ความสงบเฉยๆนะความสงบเนี่ยเป็นสมาธิมีมาก่อนพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าก็เห็นว่ามีประโยชน์เหมือนกันเอามาใช้พักผ่อนเอาไว้ทําความสงบให้จิตใจได้พักผ่อน ส่วนสมาธิที่จะใช้เดินปัญญาเนี่ยเป็นอีกแบบหนึ่งคือสมาธิที่จิตตั้งมั่นไม่ไหลไปไม่หลงไปไม่ลืมกายไม่ลืมใจนะจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวพูดภาษาไทยง่ายๆก็คือเป็นสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะไม่ลืมตัวเองเพราะฉะั้นวันนี้เราไปฝึกตัวนี้นะแค่จิตเคลื่อนไปเรารู้จิตเคลื่อนไปเรารูนะ้ถ้าทํำยังไม่ได้นะก็คอยจงใจเคลื่อนไปก่อนเคลื่อนไปที่ร่างกายส่วนต่างๆของตัวเองนะ แล้วก็รู้ทันว่าจิตไปอยู่ที่ไหนแล้วตอนนี้จิตไปอยู่ที่ลิ้นยังได้เลยนะส่งจิตไปไว้ที่ลิ้นก็ได้เคลื่อนไปเคลื่อนมาก็ได้นะถ้าเราทําอย่างอื่นไม่เป็นนะทําได้แค่นี้นะเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยยังสบายขึ้นต้องเยอะเลยอาจารย์มหาบัวหลวงตามมหาบัวเคยเล่านะว่าท่านต้องฉันยาจีนยาเนี้ยเหม็นมากเลยนะเวลาท่านจะฉันยานี้นะท่านส่งจิตไปไว้ที่ขือไม่จะคื่อไหม <c oughs> คนรุ่นนี้ไม่รู้จะขือ่อเห็นแต่ฟ้าเพดาน มันอยู่ข้างบนอีกทีนะเนี่ยส่งจิตไปไว้บนคือนะแล้วก็ฉันยาเนี่ยไม่เหม็นล้วนะเพราะจิตเนี่ยรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวนะส่งไปไว้ที่อื่นแนละ้วไม่เจ็บแะไม่เหม็นและลองไปฝึกนะจิตเคลื่อนไปในร่างกายเนี่ยฝึกไปกระทั่งทางโลกยังใช้ได้เลยนะเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาบางพอบรรเทาเนะี่ไม่มียาจะกินนะ่ะก็ยังพอช่วยตัวเองได้บรรเทาอาการปวดไดนะ้ไม่ต้องใช้พาราเซตามอล ถ้าได้ได้รู้ทันจิตที่เคลื่อนนะต่อไปจะได้จิตที่ไม่เคลื่อนโดยที่ไม่ได้บังคับจิตที่ไม่เคลื่อนโดยไม่บังคับนั่นแหละคือจิตที่มีสมาธิที่ถูกต้องะนะแล้วเราค่อยมาเรียนอีกทีหนึ่งว่าเราจะเอาจิตที่มีสมาธิถูกต้องแล้วเนี่ยไปเจริญปัญญาไปรู้ทุกคือรู้กายรู้ใจได้ยังไงแล้วกระบวนการรู้ทุกเนี่ยเมื่อรู้แจ่มแจ้งแล้วมันพ้นจากทุกได้ยังไงนะเราจะเรียนกันในคอร์สวันต่ อ, ตอไป เอาเชิญไปทานข้าวนิมนต์นะครับนิมนต์